ในลักพานทุกคนในรักพทนเ <c oughs> มืลล่อเด็กทำาทุกคนทุกท่านรำเปกนงรนธรรมะชนละวันพะทุกข้าค่ำเลี้ยงปนะ่าละจนวันที่ละแสหวงหาพระคือธรรมะมาวางในใจทัง้งราเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมแสหวานทุกชน ตั้งใจข่าความดีให้ ก, กับตนตั้งใจหาที่เพึ่ม่ัวธรรมะประจําจิตประจำใจทั้งต่วติดมุ่งหมายส้องการใช้ธรรมะอ น, นั่นมาสอนสอนตัวเองอย่างนั้ น, นจึงมีประโยชน์มากหรือเกินข่้นสาธ่ชนที่รังหลายวันธรรมเทวนะเป็นวันฟังธรรม หาแสวงหาที่พึ่งให้แต่ต น, อนเองตร็นปริโยสารประจําจิตประจําใจของท่านท่าโยอมหยุดเดินทายทุกคนจะเป็นผู้่หนาถุนมาเสียใจพลังมังฆ่าทั้งห น, นึ่งพะหลังตั้งคิดคาโลิศเข้าไปไหนเขาไปแสวงหาธรรมะประจําจุดเชื่อหาที่พึ่งทางใจ แต่เส e. br like. ียใจว่คนไทยไปหาจะบุญเข้าวัดไปหาบุญไม่ไปหาธรรมะมือหน้ามาเยอะเกินเป็นที่นาทุดานความที่ดูมือปัญญานั้นจากตังคพระพิฆาเจ้าแสดงโดยชัดเจนพระพิฆาตเจ้าทรงแสดงเห็นธาตุธรรมะคือธรรมชาติคือมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะเขาอี เตยาชาติอาก็เป็นธรรมะถอาเราคิดได้อย่าเพิ่ม อ, อุปกรณ์มันเป็นที่แสอนเราและที่พึ่งของเราที่ใ ช, ช้สอยเราจะเห็นเป็นธรรมะแต่ที่จะมากล่าวข้างกองนี้ว่าพระหลัง น, นั้งฆาดวเนื้แส้มหาธรรมะเพื่อช่วยชีวิตเขาหาที่พึ่งทางใจของเขาแล้วก็ช่วยตัวเขาได้สอนตัวเขาได้ ในชีวิตเขาจะดู่มมื้อเน้อยแต่คนไทยเดี๋ยวนี้ร้อยละเก้าสิบไปสร้อบุญไปสวงอยบุญตามวัดไปหาบุญแต่ไม่หาธรรมะท่านผู้เป็นลาภผู้มีจอมปัญญาโปรดคิดได้หรือยางคือเขามาบวชกันเจ็ดวันสามวันสิบห้าวันเขาไม่ต้องทําอะไรเขาบอกบอเมเขาบอกเบือ่อาบุญเั็หน่อย แตไม่ได้แสวงหาความดูุริศธรรมะเลยนะหนึ่มากละละเก้าสิบเก้าดูแลเอาบุญไม่ต้องทําอะไรก็ให้มันได้บุญถ้าอยากจะโยดบุญจนแล้วก็นอนนอนแล้วก็เกินเป็นบุญอันสันขันยุบแล้วเสียใจและถูกหวังคาว่าบุญนั้นพี่นอนสิกตับตัวมาตกบาตริกาที่ทท่าน ใข่หรือไม่ใครตามว่าตามวาไปสยวงบญให้บุญมาเคลื่อนตจเสียนายเสี่ใจยรื่อยตัวเองขาดการช่วยตัวเองน่าจะแสนงหาธรรมะบางแห่งมาที่กุิลกันมเยอะบางโยมไปทานที่ใจโยมเด็กขึ้นหน่อยเอาเลื่องลูกมาจะรวยเลื่องลูกมาจะสวยเลี้ยงลูกมันจะดีเลี้ยงลูกยังไงลูกโยมจะมีปัญญาจนได้เกิดไม่ฟัง จับตำราจรุงวิทยานิพนธชีวิตอ่ะเขามาฉวับุญเท้าน้าไม่เคยฉวงความดีในธรรมะแลวให้จนไปลดเพื่อทำเพื่อไปหาพระเถื่นที่ข้ามว่าสวั้นบุญแต่กลับมาแลวมีแต่ความทุกข์สามีภรรยาไม่มีความสุขลูกถอเถียงพอเถียงแม่อ่อมาออละลูกไม่ถูกทาง แล้วก็ไปแสวงบุญหยางนั้ำตลอดมาบวชเอาบุญสักหน่อยนี่มายังเชิญมาอยู่ในใจที่มาบวชก็บวชสักเจ็ดวันบวชเอาบุญสักหน่อยแล้วก็นอนเจ็ดวันแล้วก็เลยบุญไปมากอย่างนี้เข้ามาบวชเอาบุญกันนะโยมนะไม่ได้บวชหาธรรมะไม่ได้บวชแสวงหาชีวิตที่แน่นอนยอมผู้แสวงหาธรรมะจบไัไหม จุนหลวงให้ค in ุูมื้มาเคลือนยานทือพระหลานมาจากขึกปรับกำลังจุนได้แล้วก็เอามาพูดคือไม่คือพระหลานมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วไปแยงหาจะทำอมะไม่ใช่เดื่อชื้อแย่งบุญคือมาชื้อเขาไปเบื่อระลาบเปล่จะชื้อยังไงเอาเหรืไอ้เ้ามีหน้าเห่อเกินท่านผู้มีปัญญาโปรดคิดดหรือไม่ มาวัาให้บุญเพืออ่อท่านนน่าจะสวางธรรมะเหมือนฉลามบะถ้าเราบือตรนี้บวชเอาบุญนะท้านน่ะบวชไม่โดยสร้างกาุศลแต่บวชไม่ไดยผลงานบวชคืนละนอนได้บุญมากวาดลับทจะจะากุจวัดเป็นนามันจะเป็นนาปเลยกืนละนอนให้โดยบุญมากมากแล้วระเสริ ความเข้าใจจะมาแทนที่สร้างความดีไม่ได้นีแล้วนบวชอาบุญกันเยอะนะตามวัดโยนไปเห็นได้สุดไปแล้วเมา้าเมาเยมน้ำสุดแล้วก็ไม่สร้างตนสร้างตัวสร้างครอบครัวให้จะตอนนี้หรือแสวงบุญโูกับโยนมาวัดกันก็แสวงบุญถูกับจะแสวงหาความดีไป็นครอบทรสในธรรมะ ไม่เคยมีใครมาหาเลยนม้แต่พ่อนี่มือมากนืใช้น้อยทุกวันนี้เป็นที่าเส็นดาอย่างน่้ก็มาทราบว่าบุญนั่นคืออะไรโยมมาถวายรับปทานก็เป็นบุญแต่บุญอยู่ตรงไหนจักบุญให้ได้บางทีเพื่ออยามาถวายรับประทานมานั่งกรรมฐาน สามมือไม่เข้าใจก็บอกเอาบุญมาให้ดูที่หลุดยางเป็นอย่างไรเธอไปทําบุญเสียแต่กลางเปล่าดูดายบุญเป็นอย่างไรว่าไปรักษาพลังกลับมาเอาบุญมาให้ดูคือบุญเป็นอย่างไรให้สามมือโขกต้อนของเขาตัวธรรมะเนี่ยมันมีตัวตงโดยธรรมชาติทำดูนั่นก็ไดือดทำเชื่อมันก็เดืเชื่อทำตัวล่อหล่อไทยไม่มีกำกับอย่างไร คือตัวบุญแห่งธรรมะบุญที่แนนอนก็คือตัวธรรมะคือมือความศักดิ์ในครอบเพื่อไม่ทะเลาะกันบุญอยู่ที่ไหนธรรมะคือช่วยแหวงหาได้ถึงจะเป็นบุญคนที่ไม่มีธรรมะมือจะบาปกรรมไม่มีบุญไม่มีลักษนาจะ่วยแหวนหาบุญกันเทือกันช่วยเลยนะถึงวันเสารอาทิย์เข้าไปเทือการ ใน่ช้ามาตะมืดเลยแบบไปไหนไปฉันขาดรักไปโวยมบุญแต่แล้วมือหมายเหตุถามเราแค่ได้สัญาฉันด้ถามมือตีนะผู้หวนเคาะแต่เราก็อยากจะถามโยมยองไปว่าไปหามาขาดรักแล้วดูเืิอยันทลายอันนั้นก็ยันทลาอันนก้ม่รืบุญเสียใจด้วยกับโชยงบุญที่มาถูกขาดมาอันเยอะน อยากได้บ <c ười> ุญอยากรมาฝากบวชเอาบุญไม่ต้องทำอะไรวันนี้อดไม่ต้องพ่อวันนี้มือเครื่องกรอมไหมฉันจะเอาลูกมาเบวชจะเอาบุญอ๋อบวชคืนกันนานแล้วก็เป็นบุญนะเป็นประโยชน์แต่บุญตายเยอะก็ทายบุญไม่ออกว่าบุญนั่นคืออะไรเพราว่าความสุขได้มาจากธรรมะถึงจะเป็นบุญใช่ไหมถ้าไม่มีธรรมะ โยมจะไม่มือความตกเลยนะความตกที่ธรรมะเราจะทำละใจทําใจให้เป็นปกติทําใจให้สงบทําใจให้สบายปัญญาเปิดนะั่นคือเตือนธรรมะถ้าโยมไม่ฝืนใจไม่คิดธรรมะจิตใจมันจะลังไหลไปสู่ที่เล้าตลอดเลยการนี่หรือตัวบุญตรงไหนความตกตรงไหนละ่ะไปเทือกันเพื่อเลยเพื่อกระเทะ หาพระสุภดิสันโนึงพ <s akat im empathy> ่อท <s binnen> <c oughs> ึ้งแม่ยึ้งลกแค่ที่นั่กับพสุปดิสันโนที่รักไหนก็จะเอาบุญมาเชื่อโยมอาสง้อเกกันถ้หลังมหาธรรมะคนไทยมหาบุญจับเลยเข้าใจคำนี้ไหมอาสง้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจจ้เลยจับเลยคนไทยแค่บุญแคหลังแค่ธรรมะธรรมะมหาบุญกับชืู กลับไปบ้านพะกระเสือเมียตรงนี้เนี่ยมากระเทือนแบสายที่เดี๋ยวตรงนี้ละพี่มานี่ไฟฝากเยื่อนลวตรงนี้ทะเลของกะเือปัญญาเราไม่อยู่จะไปคดีเขาทำมาเพื่อนาฮะเจ้าคุณทำมาเีล่ออาจารย์ใหญ่มาท้าด่าน้อยหน้าพาอายุหกปีจะไปค้าตามหลังเมื่อท่านเป็นมาเถลีย์เชเรื่องทำบุดเอาไายอุ้งเท้ วังตายของข้ามวันตนและคนนี้คณะว่าจะเกิดถ้าไปดูดบูนีโถวจ้าไปอยู่มาถวายมาคณะสามสิบคนโจทยเพื่อจะับยู่คณะนั้นอย่าไปเอาบุญกันนะบวชก็เอาบุญกันมาตังหน้าคาชุดละบวชเอาบุญมีมาว้มาเยอะโยมหลว่อฮะจ้าอยู่อาบุสักหน่อยนาบวชสักเจ็วันมากระไรกันดูฉันทำอะไรนะจะเอาบุญสวยมาก บนตาคือศูนย์กับไอบ้านแม่ดาอะไรมือเ่นบวกไอ้บนมือจะทุลักด้วมือบวกไอ้บนไม่ใช้แว่สอาทำน่ะขอฝากกวเนะเอาไปคิดกันสุกคนในเวาทสอนเอาให้ทำน่ะให้มีลูกเป็นคนดูทำนะแลว่าลูกไปท่ถข์ขอเลือกให้โลกขึ้นใจเได้นือคือธรรมะเราเป็นพ่อเอาใจขอลกให้ลูกช่งเรได้ เราเป็นม่ให้นาสอนลูกให้นาสอนตัวเองว่าถ้าหนุ่มเป็าจะได้ไรเมื่อเชื่อใจได้ว่าสิอตรงนี้คืออนาไม่ใชัไปตลอดตลอดอ้ชว่เรับนเอาบุญมาเยอะแล้วหนาหน้าทะเละกันม้ไอ้ผัวส้างพระประธานลงทุนสามแสนเมื่อลงทุนหกมืนสวยกว่าพระถึงสามหมื่นเพราพระตก้าในส่้าแต่ของดูท่ากายมันตายใะเลยเขาให้สิกเอาไปเลย อดี grammar, no en, ๋นี้อายุเกิดกตายไม่ได้นอนนกรเรียนข้าพระประคาบุญนี่เลอข้าพระประบุญบุญอยู่ตรงนั้นอย่าทะเลาะกันไม่ได้นอนด้วยกันเด็กเดวนี้ีแต่ความทุกข์ไม <inaudible> ่เหลือบุญอันถุกต้อข้าทะยเลี้ยงาสามมือแบบระยาคืนนั้นไม่มีธรรมะเลยนมกแต่พ่อเดียวเนี่ยจำนวนน้บวชทาบุญกันมีมายนี่บกไม่รักเบียอเจียมันคนาสงฆ์ต้องอยู่วัดหลายวันแล้เราจะได้อะไร เอาบุหน่อยก็แล้วกันหลงพ่อครับหรือว่าสงพ่อไม่ต้องทาอะไรก็ได้บุญไปเยอะๆถ้าโยมจะให้จ่าจะมีบ้านสักหลังไม่ต้องจ้ารให้มันหาเองได้ไหมไม่ต้องจ้างให้บุญมาให้สร้างบ้านไม้เอเอาที่อายุมาเบิกตายแล้วไม่ไรับอันนี้ไม่ได้รับนะมันจะเพื่อช่วยศาถนาเพู่อวิจารณสอนให้เราเพื่อตัวเองใช่หรือไม่นั่นคือธรรมะแต่คนไหนไม่มีธรรมะเพื่อตัวเองไม่ได้เลย เพิ yeah, the the ่มข้อตลาดใยการแล้วก็อาศัยเตือนมาได้สอนเตือนม่ได้กระทั่งไปหมุนเปกน่าวพอแม่ต้องตามอายุเื่อยเลยหน้าพูดได้มากมือรุ่บนกลบไปบ้านทะเลาะทำละเายกขึ้นตัวเองได้เชื่อตัวเองได้สอนตัวเองได้เรี้ยงและทำละโดยธรรมชาติที่เป็นใจสอนการปฏิบัติที่พัฒนากรรมฐานต้องการขึ้นเอง ต้องการจะช่วยตัวเองให้ฐานะดีขึ้นต้องการจะใช้สติปัญญาคือสำรวดจุดเพื threats, children, ่ออานสอนตัวเองบ้านนั่นคือศูนย์ธรรมาธิพัญญาเรืองสรุกแล้วเลือกว่าธรรมะท่านสาธุชนเปรดศึกษาเถิดจะไปเสิที่โสกอย่าไปสร้อยบุญอย่างที่เข้าไปสร้อยตามสรวอยบุญกลางเลยมืเงินพักขาดกระเป๋าขาดทาบุญ กลับไปทั้งคนกําไรไม่มีเลยแงวหรือเปนบุญนเกียรติสอนที่ไปทาบุญเด็ที่นาที่ดาวเยอเกินพ่จะประคุณเนือแม่จะประคุณเนอนาวันดมากที่สยามบุแต่เสียใจด้วยนาจะหาธรรมะพึ่งตัวเองให้ลูกเป็นใหญ่เป็นโต่อลูกให้รวยรวยข่งก็ได้เล่นเาหนาเนใหญ่เป็นโไม่สนใจ เอาโลกมาบอกให้อยู่เฉยเฉยละเป็นบุญยอมอยู่เฉเฉยจะมีบ้านยูยไหมทำไม่โปรไม่ชะธรรมะระยำกลางฐานะธรรมะระยำกลางสันธรรมะระยำหักสันธรรมะระยำกลางตัวกลางคอนก้างก็เพือให้อยู่เย็นเป็นสุกเป็นธรรมะแห่งธรรมะชั้ตรงนี้มีความสำคัญนิดหนนะ เลยอย่ามึนเรื่องโลกเถื่อนผอเถื่อนแม่ทำมาตกท่าเป็นบุญเหลือเกินคุณโยนเป็นบุญที่สุดและโลกเถื่อนผอเถื่อนแม่ทำมาตกท่าไปไม่ลามาไม่ไว้าม่ยากเลยเป็นบุญที่สุดโยนท่าไปลูกประเทศนี้ตั้มาเรียนความเสียใจกับโยมด้วยที่ขยันบุญอยจะหาทำมาสะพ่อเดียวเพื่อเสริมพึ้นทางใจเพื่อเอาบุญแห่งความศึกที่แน่นอนและถูกต้อง จะไม่รู้โอกาสได้แล้วอาตมาเหนื่อยยากไม่ไหวรำกรไจําหวัดกลางแสนจะเหนื่อยรำเินก็ไม่บนกลับมาจะมาสองสามนักเรียนเข้ามาเป็นลอยๆเห็นไหมครับเข้ามากันมากมายอาตมาบวชหน้าตามบวชหน้ามบวชเนี่ยคงไม่เจอบวชเลยดบวชสร้างเลยทีเดีบวชสร้างต้นสร้างตัวให้บุญตัวคือความศุกดน์นาค จะเล่าคนใหญ่คนโตในประการหน้าโยมไม่ชอบไม่็นไรไปขย้อนบนกันต่อไปไม่ค้องทำอะไรนะบวชแล้วดูที่เถิดเดี๋ยวจะเป็นบาปเดี๋ยวจะให้บนอย่างนี้ก็แยะเลยที่มือบวชต่บงดันมือหลายจกแพ้ไม่ต้องทาอะไรตัวนี้ก็นอนบนผลคุณและประโยชน์ตัวไปนี้จะตามทอดือจะอดแทนตามหายยนนะที่น่าตัดหลังไอ้จุฬา แล้วที่โตก็อย <id> <currently> ู่ตรงบนตรงอดสอนที่บวชกันเช่นนี้นะถ้าเป็ลกยอมประทาใจนะบวชอาบุญเถะจะบวชวัดไหนก็ได้โลกแล้วไม่ต้องทอะไรเป็นบากบวชแล้นอนกินนะจะส่งแม่จะส่งธรลมะไม่ต้องสร้างคือจาวัดไม่จางสร้างธรรมะไม่จางขยายหาธรรมะมือจะแทยร้อยละเ้าคือจะนวลดมาได้ยางน้ทงนมัก่ายมากได้เรื่บุญ อาคนประโยชนประจาชีวิตประจำสุดกระจำใจประจำครอบครัวไม่ได้เลยเลยเป็นบ้านอาพเมฆคนรับรองบ้านนั้นไม่มีปูส้สฉันบ้านนั้นไม่ต้องใหญ่ทางโตถ้ารับราชะการถึงแม้จะโดนสอบสวนอยู่เสมอแต่เป็นนักธุรกิจการข้าจะไม่แข็งแกร่งแตเป็นพ่อท่าแม่ขายจะไม่ได้กําไรตาทีส่สูจเยส่งและมกจะท่าขายได้เงินได้ทมากมายขายของจะเปิดไมอยอ มันก็เลือไหลไปไหลอย่ออกไปไหลไปถามพี่ยังเหวี่ยงทองกิดปอะู่ชน์หรือเปนบุญไปเรตของรงนั้นมาโยมขาที่โคมทั้งหลายเลยสมาธรขลุกเจอก็หลามเยอะมาพยายาจะทำมากจะขนไถเ่าว่าแยายามบุญตางกันเยอะเลยไม่มีธรรมะจะเกิดบุญได้อย่างไรไม่มีความรู้ คือรู้จิตใจไม่เป็นปราดไม่เป็นนักราดไม่เป็นประยุทวิชาเอาเอดก็ไม่มือมือแตวิชาจกราไม่ได้ชอบอะไรเลยเนะแล้วททั้งหลายเลยจะเป็นใหญ่จนโตลกท่านจะดูได้ไหมนี่ราอกทตามที่น้องเหขอสาหไลกับผู้แฒ่เดียวว้ต า, า, า, ามมือจะมีาขาการตูดมามือามือต้องคงเขาเขาหมดมือภรรยาต้องมือช อกมาในกฎแห่งกรรม้าเสื chalk, ية, a shuffle, a ga, ่อมเห็นหมอมันจะหมอนยาคนนี้กาลังมีชู้ของระธาราธิเยื่อจังหวเาเกิเข้อเหตุกฎแ่งทรรงสามมือคือการความหายยานะไม่อีมีต่อภรรยาภรรยาก็เฉลี่ยกันมือสามมือยังไงก็เป็นของเขาไม่ใช่เป็นเขาเงาเออมาดูกฎแห่งกรรม่กฐานจะรู้ดะถ้าทนมาแม่กรรมฐานเอาบุญเข้ากรรมยอะไรเลย ไม่อ er like, ูอะไรเลยก็ไม in ่แสวงหาธรรมะจังหจุดก็เหนื่ออาตมาที่พูดเสมอมาคนแสวงหาธรรมะให้จำมืออย่างนี้ไอคนโง่ไอ้แฉะบูรย์จุดและจิตป่าชอบพูดมาชอบดาชอบพูดแค่าเถื่อูดคำหยาบเพื่อเจาคนที่มีธรรมะแล้วนั้นจะให้สติและจิตใจจะทำอะไรก็ใจกลองจะทาอะไรก็ทางานทา มเมื่อติดควบคุมจุดนี้ได้นั่นคือเสือธรรมะธรรมะแปลว่าริฐธรรมาที่ปัญญาสรุปเป็นธรรมะพอละลองหม้อเลือกว่าธรรมก็ยังไม่เป็นธรรมะถ้าปฏิบัติธรรมได้สายชะละอาลงไปเลยเลือกว่าธรรมะแปลว่าจับรูปแบบได้แล้วแปลว่าทำาาจาดดทำุดเป็นตัวสอนได้แล้วแปลว่าทำความถูกคือบุญนั่นได้แล้วก็เกิดว่าจ า, น า, นาจนหนาในบ้านนั่งยิ้มจะต้นใหญ่เป็นโต ลกกาวลูกคายก็อ่อนน้อมจะไม่เถียงพ่อจะไม่เถียงแม่ไปก็ลามาเขา่าพ่อแม่สวยหน้ารักทุกคนคือลูกของบ้านน้่ขึ้นสมะความที่มือทำแมะชอบบุญแน่ๆลูกจะเอาดีไม่ได้ลูกดีไม่ได้แม่แม่แน่นองที่สดลอยเปิดส็จดโยมจะเสียใจหรือดีใจเหมือนโยมปลูกบ้านไว้สวยอยู่หน้าทัศนาชม แต่ไม่มีเครื่องเฟอนิเจอรระดับบ้านจะสวยไหมดอกไม้ก็ไม่มีระดับเหมือนมือโตมือไม่มีดอกไม้ดูฉาบไม่ครับเหมือนมือล็กไม่ได้ปริญญาไม่ได้ความมือเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอรระดับบ้านไดยะท้าขชอบยางนั้นก็ตามจะโยมบรรทับโยมไม่ได้กามามบ้านใหย่สวยจริงแต่ไม่มีเครื่องเป็รนเจ้า ไม่มีเครื่อกประดับบ้านไม่มีลูกมาดูหรือมีลูกไม่มีเครื่อกเฟอรนิเจอร์ไม่มียาไม่มีความใจของบ้านมีคือลูกยาโยนได้ลูกอะไรก็อคามใจนะไม่ว่าอะไรความนี่คือเจตธรรมะไม่จะไปถวาบุญกับทกตเพื่อไปกลับมาทะเลาะกันไม่เิดบุญเพราะขาดธรรมะมันจะไม่สมบุญขาดธรรมะจะไม่มีประโยชน์เลนไม่ยือากาศชื่อมะ สมบัต Mont ิทั้งสองจะไม่มือเหลืออยู่ว่าไหนแล้ว่าจะมีตะลุยากสมบัติที่จะเทือเหลืออชาชนนครอบครัวทั้งสองได้ท่านนักกรรมฐานกอบกางอัตมาเทิดทื่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการแสวงธรรมะธรรมะของท่านทจะได้จากเจริญกรรมฐานต้องมีตะถือและจิตใจอย่าเอาไอ้ศึกและจิตปากนะ ถ้าพูดมาปากคนนั่งว่าคนนี้ากบุ้ยไปบุ้มาตาตะเหลียบไปตะเหลียบมาอ้อมคนอ้อมคนนี้ถามเหาหอด่าคนนั่งหูคงมาตั้งเมยังทึบเอาตาไป้ันทั้งอย่างนี้ท่านหรือม่ธรรมะถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจรงๆได้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมนะถ้าได้ธรรมะแล้ว อาจจะรู้ตัวเองว่าอ๋อต้องเอาสติและจิตใจใช่ั้มถ้าสติใจท่านดีมีการควบคุมจิตต้องมีธรรมะจะจาใจคือก็คือสัมปชัญญะในลดละพลงานนั่นคือตัวธรรมะไม่ใช่ตัวบุญที่ไปบุญปัสตัเแล้วกลับไปนะแม่พี่ยุนมาน้ากรรมฐานในยักษ์สี่นั้นกลับไปเลือกหัวมาสอมเือ่าอยุดเพิ่มเป็นมากอย่าทยอย่าทาเป็นมาก มื่โดยบุญบุญเขาไม่ใหญอย่างทำมะเขาไม่ปสอนเสือล้วทำมาเขาไปทาตัวอย่างให้สามีดูสามอเห็นได้จับเธอได้เติมใจภรรยาจะกร้าถามดีให้เธอย่าเพิ่มขึ้นรงี้คือการทมาไม่ใช่บุญป่าชุกๆเดี๋ยวจะมางานจะมาถามคือวันเสือจะกลับงานจะมาถามคือวนเสือจะเลิกชุ้ มันนากรรมฐานคือวันเสือจะเล่นจริงว่าถามกรรมมาเป็นาที่โลกนะนี่หรืออวชาถ้าแย่งผูหญิงหนีธรรมะจึงแสวงหาธรรมะเหมือนฝรั่งแล้วเป็นดีโก้ครุเขามามาแบุญแล้วเขแห่ธรรมะเดี๋ยวนี้เขามีความตกคือบุญแล้วถ้าคนไหนขาดธรรมะคนนั้นไม่ยึดบุญว่าจะนว่าจะมาหาบอญบุญช่วย เอาดอกม้คุณเพือนมาให้หลวงพ่อดำช่วยไอ้หลวงพ่อเราช่วยวัตโยวัตโยชอนช่วยแต่เสียายด้วยหลวงพ่อเคยบอกอรรมาว่าช่วยไม่ได้ไอ้คนมาขอเนั่นมันยังช่วยตัวเองไม่ได้หลวงพ่อไม่ช่วยมันเนาะน้องนมมีอาการหนึ่งพับาทไอ้ช่วยเพื่อนห้าร้อบาทหือห้าร้อยแล้วเพื่อนก็ไปถลนมหม แล้วมาขยุ้มเราอยู่ข้าร้อยหมดทางรักเพื่อนกอลหมดทั้งเพื่อนทั้งเราหมดทุ่ทุ่มทั้งเพื่อนทั้งเราหมดทุ่มทุ่มใครทุ่มใครหาคตอบได้ไหมเราจะเชื่อใครก็ให้เขาเชื่อเองได้เราเชื่อเองนม่ได้าออกมาดูเทียนไปว่า้หลองพ่อวิชโยหลวงพ่อระโถอหลวงพ่อชินล่าหลวงพ่อวัดระชุนหลวงพ่อวัจัล้มหลวงพ่อวัดจันทร์หงพ่อเพื่อหนูด้วย หนูเลยหนูอยากสร้างอหาห้เสียใจเรืยทำมไม่เชื่อหลอกชอตัวเองเชื่อตัวเองไม่ได้น่าจะเขวแวนหาธรรมะประจําสุดปจําใจประจําบ้านประจําเมืองอย่ทายเชื่อแทงสนจะชักสามารถแลงฤเป็นแพทยเป็นเถิดถีอได้ช่ตัวเองแปลว่าธรรมะคมานั่งก็มาถามปายุตัวมหาธรรมะเวลาไปหที่เม่วัมาอยู่สอนนนีไปละ n ยกมาเนี่ยมาบวชเวันยังไม่ทันได้ทำมาเคอนีแต่ชื่อลวงเนี่ยไม่จางลาเลยนบวชมอไไม่งเลี้ยงเลยให้มันรู้เวลาอยากจะได้บ้านข้างหลังก็ไปนั่งหลัาเาให้นบ้านเกิดเองานคอยรักษาให้เกือกมาหาเองถือใจสำหรับจะย้อนบุญเช่นนี้ขอากกรรมฐานด้วยนะกบุญดไม่เอา สมเหตุไม่เอาชอบให้ฝุดและจิตตาข้าพูกนาจึ้งเล่าชอบหมายจึ้งน้อยนอนน้อยปุกบน้ยทาความเพียรมากให้ฉันธรรมะความที่แขวงบุญก็จึ้งเน่าจึ้งเน่เลี้ยวภัยาเอามาใส่บาตรอบทำบุไม่จอหาธรรมะแล้วก็พูดนะาพูดลาพันข้าความล้งเอาเรื่องเก่ามาเลือกเื่อหลงเองไม่คนที่ชอบไม่ช่างคนที่ชอบไม่ช่า อาดูเป็นความสันถ้าเป็นบันเดิ้ลนี่เป็นความจรงไม่ครับอนาคตแน่นอนจากม่านธรรมชาติจะถึกหวังโยมจะเสียใจตลอดคือลูกฉันลูกหลานนเป็นธรรมะไม่ใช่พระสอนอิสลา่านหสอนอาทีวไปเฉยๆไมโยมนะใครไม่ยมใส่เจ้าค้าธรรมาจะพาไปนิทานไปไม่ใครเจ้าค่าธรรมาว่าใครไม่อยากเจ้า่าเพราะบาปตกก็เจ้าค่ะ เธอันมีสมบัติมาห้ได้จะไปเข้ามหาวิทยาลัยได้อะกตามขั้นตอนของธรรมะคนเราเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะอย่าให้ลูกสอบเอนท่าได้อย่าให้ลูกเด็กมหาวิทยาลัยแต่ตัวเองพ่อแม่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้สรางความดีกับลูกไม่ช้ำถูกให้กับหลานเลยรักก็ไม่ถูกวิธความไม่ดีหอ นี่คือเจตธรรมะจะมาบวชชื้อเท้าให้รวยก็หน่อยบวชซื้อเท้าให้ขายชื่อดาบรับรองขายไม่หลับข้าข้าธรรมะเรื่องในใจพึ่งหลายอะชื่อดิเรื่ยงเล็ดเรื่องค่าขายเล่ยงเล็ดอะเรื่องธุระกเลี่งเล็ดรับราชการกเลี่ยงเล็ดงานก็เดินเงินก็ตามงานก็เดินเงินก็ตามนี่คือเจตธรรมะงานก็ไม่เดินไม่อยากทาเงินมันก็ไม่ตามมาหาธรรมะไปไหน จะไปดูจุ่มไหนจะไปสวยจต่มไหนจะดูจุ่มไหนด่าอะไรเสียใจแทนโยมแสดงบุเงินบับุญเลยอ่ะเราบุญหน่อยไม่อะไรเลยมาต่างๆไจะลอบุให้ดูจล็ดูบ้านดูให้ีความสะอาดดูายดูที่อารรดูดูที่มีความอายูขาดดูผู้ห ผู้หญิงที่หน้าเยคือผู้หญิงที่ตามใจตัวผู้ชายที่หน้ายคือผู้ชายไม่จับในใจคนขาธรรมะเป็นเช่นนี้าดธรรมะคุณตามใจตัวไม่มีสติเลยผู้หญิงซึ่นั้นดีไม่ได้เช่นพอผู้ชายไม่เกนใจใครเลยดตรงไหนไม่ต้องเกรใจมนุษย์มนาเกรใจผู้บัพพะปะชาแน่าจจะดีตรงไหนไปที่หน้าเปย์ที่ผู้ชายที่ไม่เกรใจคน นี่คือธรรมะใช่หรือไม่คนมีธรรมะเขาจะโง่โงเป็นใจกันแล้วก็มีอธรรมะสามมือมือธรรมะจะให้เกียดภรรยามากพรรยามมอธรรมะจะให้เกียดสามมืออย่างสูงนี่ตัวนี้คือธรรมะไม่ใช่ล้วนหน้นมุแล้วก็สามมพอภยาต่างคนต่างให้เกียดกันแน่ทุกคนก็ให้อภัยกันได้สามมือ่าภรรยาก็ให้อภัยสามีืได้ภรรยาถ้าภรรยาไปบ้านมาระการ สามมือก็ให้อภัยได้ถ้าใครเล่าคะแนนหาําตอบได้แะคือให้เสียดกันอย่าเยียดยามไปโกรธพุกได้หรือไม็หลังมาคือเขหลังมามาวานไปแหวงหาคำนะแต่ไม่คือใครไปแหวงบุญไปบุญที่หนอนไปบุญที่มีคั่กันไฟคู่กันมาหมดเงินในในยากในกระเป๋าแล้วก็มาเรื่องลูกหลานให้เอาเงินมาให้คุณยาย คุายจะชวนบุญคุบวชมาต้องยู่สดทไม่มีอนาจมีแต่บุญตวสไปเกิดเงินเอาหลานมาไปขอเงินลูกห่างหลาน่ะไปเ่บุญเสียใจไม่มีความอุ่นใจให้กับลูกหลานเลยนะ้แต่น้อยนไม่ดีนะขอฝกเดี๋ยวนี้มาบวชเป็นพระบวชเอาบุญไม่ต้องทาอะไรไม่ว่นหาธรรมะมันนี่คืกรวัดบูชให้บูการวั ดูบ้านเมือนให้ด i, ูที่ความอาดดูไทยดูที่ศาลในธรรมสัมมาปฏิบัติดูหยุงดูที่ความลอายหรืเอตตะตะพิงต้องมีหย่เอตตะมีคามละอายมีความเจิญตัวตบาปจะเล้ยตัวเองทามคืนแม่บ้านเฉหกาศแม่บ้าการเรือนใช่หญิไหมไปสอลูกหนลูกสาวอะาตามใจตัวนลูกนะหนูติดกระใจนะลูกนะ ทำอะไรอย่าเชื่อนเพื่อนผมนะชายเชื่อนนะลูกนะมันจะเสียหายนะลูกนะสออย่างนี้คือธรรมะไม่ใช่เรแล้วได้สาระที่หนูหนูพานโนเลยนะหนูมาแสดงใครทำบุ่าุ๋ยสุกแต่ก็ฆ่าตัวไม่ได้ชึ่งตัวเองไม่ได้นี่คือไม่มีธรรมะโดยธรรมชาติขอสาธยายโยงไปคิดว่าเธอคือไปสวรรหมด้วก็มาฐานนะ จะให้กาะเดี๋ยวด้วยยินมจะให้ตกาะเพจะไปมาจะให้กาะื่อจะไปมาจะให้เกาสอนอย่างนี้จะมีเหมือนทาบุญเดี๋ยวเดบุญกานยัดการให้การบสถละใไอสอที่จะสร้างตัวเองนี่ทำมาโดยสอนนะนาจะให้วิธีปฏิบัติธรรมะเาจะอย่างไรน่ยเราจะปฏิบัดีได้อย่างไรก็ลูกเราจะเป็นบ่เต้ในละที่นอนสิละ ไม่จำต้องกลาวว่าคนเถืถือที่จะมีธรรมะไอเถอือถือเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะมีตมแต่บุญไอเถอื่อถือต่คนยากจนเงินทองเขาไม่มีธรรมะลูกไม่ลดละภาวนาลูกเป็นดอกเตลูกเป็นเถื่อถือขึ้นมาเพราะจนแม่จนเงินไม่จนธรรมะไม่จนน้ำใจลูกคนใหญ่เป็นเตยมากมายเมื่อหลังลูกว่ า, าเอาหน้าธอดหาทินให้ลูกมาลูกเลือกเป็นดอกเบลดบ ลูกหรือเป็นใหญ่เป so ็นโตแงแก่ถือในอนาคตนี่คือตัวธรรมะไม่ใช่ตับุญนี่จะมาบวชเอาบุญอีกแล้วบอกไปบวชที่วัดอื่นวัดเธอเขาไม่เคยบวชเอาบุญก็บวชสร้างธรรมะสร้างตัวสร้างคนให้มีบุญหักนะกัวสนสอนสอนอนุสอนจะได้ไม่มีการบวชประโยชน์ในการบวชอย่างนะาจะบวชทิ้งก็นอนไม่ต้องทันทีจวัดไม่ต้องวาดแล้วอย่าพูดดีข้าัดลูก สามหลังเจิดเด็หลัาสุดบาดบาดไปเยอะเลยมือดูพระไม่ดูที่จิวัดนะทำไมนิจิวัดไม่ใช่พระตัวกาสอน่าจะนุงเ้ยงหอมเหลือแล้วนอคืนนอนเนี่ยเป็นพระไม่ใช่แน่นอนผลหลังอย่าที่สนมาบืเสียดายเสียใจด้วยท่าจะได้บาดล้วที่จะจาต้องเราเป็นจักรพรรดินะที่ปาจาเรียนเก็ดมหาอิรยาเรียนถึงที่ปาสาไรเรียนศิรษะนะ เราเปงต้องไปจักหาเรียนนะครับเรียนถึงทิกป่าจักหาได้จบไส่เพศวิพยาธะแต่ท่านยังไม่ได้วิชาเพ้่นทุกวิชาแก้ปัญหาคือธรรมะค้ามุ้นออกมันประชาบวัในปรากาทปัญหาคองข่างแต่แยงหามเมื่ธทรมาสอนชาวโลกไอ้คนทุกเพื่อแก้ปัญหาคือตัวธรรมะบุญแก้ปัญหามหลับสร้างธรรมะธรรมะแก้ปัญหาได้ถึงจมีความโตคือบุญวัดปัญหา มจะพา่องผลอันนี้ขงจะได้ในนาเกาจะทานนหน้าต่อไปมันจะมาบวชเชี่อบุญมาบวชระเอาบุญเอาบุญตรงไหนเอาบุญตรงไหนบุญตรงไหนจะคือเองนะบุญหรือบาปบาปหรือบุญบวชที่อวัดวัดชื่วัดวัดต่อบาปชเ่อวัเถอะเป็นือสองไม่พักระหว่างนักบวชเป็นมสองบวชแล้วไม่ไม่ใช้นือสองคือทุกอย่างในใจคือ ปารถุส e ังฆโยะปารถุสังฆโยะถ้ามาาติขอัได้บวชบุญบวชมนุายาไม่ได้บวชมุญโฆษาบัตรไม่ได้บวชุวนสยาม่ไม่ได้บวชุหลายคนคือเขาบวชตามสจแทนกับพุทธจยะเน้วมิได้จ่ายอึงตัวเองให้เกิดตัวเองขอตัวเองให้ได้นี่คือธรรมะึ่ตัวเองไม่ได้พึ่ตัวเองไม่ได้ขอตัวเองไม่ได้ ก็ไปเนิดมนุษย like, the ์บร oh, ิบูรคลอยลอยไปลอยมาแั้ตัวมลายหาที่แขวนมาได้ก็ลอยไปลอยมาแล้วขอตัวมาลายไม่ตัวมาลายตัวมาลายเอ๋จะลอยไปไหนล่ะไม่มีที่แขวนเจ้าค่ะก็ไม่มีที่เกาะก็ไม่มีที่เกิดจะเสาะจาะให้ลุดไม่ได้ิจิตธระท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่อยุดโฆษณาไมอาวะนะไม่เอาดูดูว่าอย่าคิามาไหนใครมีบุญมาเองยินอีูก็รับที่ดี ก็มีวัจนาที่มหาธรรมะควที่ไร่ธรรมะขาดลัคนาขาดบุญกุศลไม่มีลัจนาบารมีคงไม่มาวันนี้แน่คนไปที่เราก็โฆษณาการเพิ่มพัน์และไปนอนแค่ตบนแคลาเป็นพันอุ์วันหนึ่งก็กเอเกดเองโฆษณาเทพจันมหัเลยปฏิบัติธรรมะไม่มีเลยสร้างธรรมะถึงไม่หยาก็เป็ูดฟังฟังแลวการไปคุยการสมุขสานี่เขจะวงบุญเปนหยั้น ไม่น่าจะแว้งธรรมะเอามาใส่ใจไราและไปช่วยลูกหลานให้ลูกดีมีปัญญาน่าจะทักธนาชมไหยอมขอถามโยธรรมกินใจทุกคนมือลกไม่เอาไหนเนี่ยตดของขาวยาจ็ติดไยาะแแหบดีไหมดค่ะดีก็ค่ะลไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปไม่ลามาไม่ไหเสียงพ่อเสียงแม่ดีไหมจ้ค่ะดีกะค่ะขออันเด็กนะ ในส่วนผู้มีบุญแบบนั้นแต่ผู้มีวาจานาในธรรมะเขาจะสอนลูกโดยดีมากตรวจมลลูกหนาตรวนอนแต่เดี๋ยวนี้ลูกก่อมาที่ย้อนบนตรวจมไม่เต็มละปรินาถึงก็ไม่ได้พิทูกองก็ไม่ได้พิธูกรรมก็ไม่ได้สาจะหนาพิก็ไม่ร้อเรือยเลยจะเชื่อลูกไปอย่างไรแล้วคุณแม่จ๊ะแม่แบบแผลแม่ตอนไหนจะเจออย่างของลูกได้นี่คือธรรมะ แบบและแผนจ่อแปลนแลแ ผ, ลแลแผล่นถังนี่คือทํานะมันทำให้ลูกลกลความเชื่อและพื้นดินเหมือนแม่แบบแม่แผนอสียใจแม่บางการเรียนให่หรือไม่ทำให้สามมือเท่าบางกระโจนใจเต้ในใจแม่สามมือจนเลือดทำเลือดระคุณแม่นะเราก็เนี่ยหลักเขาอดแม่จะท่ามือให้เขาเมียคือแม่แบบแม่ตัวแม่ใหญ่แม่เรือนแม่แคร์เชืยร์ให้ลูกไอ้ลูก พ่อบ้านสาเมือเปนเรียกแม่เหมือนานางวิสาขามาตาอุบาสิกาเป็นลูกใคพ่อหัวแม่หัวเลี้ยแม่มนะั้แม่วิสาขาเอ๋ยมาตาติเวลาแม่ของลูกที่ดีเลยสามมือก็เรี้ยภรรยาวิสาขาว่ามาตาเป็นแม่ของลูกที่ดีเรียกแม่ฝ่ายแม่ก็ให้เกียอสามมือว่าคุณพ่อ เล kind of ี้ยหัวเป็นเท้าเหลี่ยงนิ้มีอยู่มากดูคนบ้างธรรมะ้าชื้นมงคลเ้็นตูเฉียนบ้านนั้นบ้านนั้นเป็นมงคลเลื้หัวเป็นท้เลียเมียเป็นแม่โลกมทุกคนแล้วเชียงบ้านธรรมะบ้านมงคลชื้บางบ้านเป็นอัปธรรมะขรจคมีระยาพละกันก็ล้บุญโลกมือไม่ได้เลยว่ามืทาพะวยใช่คํายาบต่อคำหยา ภรรยาเปลี่ยนหน้าสามือเลยเอาลีไม่ได้หาเรือเยียมาในบอานนั้นบ้านนั้นอาฟรีกลางไรเยอมาไปคิกโดยช่วยแม่บ้าามือดูเป็นพ่อภรรยาเรียกคุณพ่อคุณพ่อขอบรื่นใจเหมือนพ่อบ้านที่ยื้อเชิญชาความดีมาแกบ้านนะบ้านจะเรียกคุณแม่ทานทานข่าอย่างคะแม่โดยยืนจับประจำเมืองขอพ่อบ้านเป็นามือมาเรียกเลยแม่ ลายจะต้องเปนแม่เลี้ยงเพิ่ก็เป็นน่ทีวดตของลูกต่อไปและเป็นภรรยาที่เป็นศับดือสิทธเรียนของพ่าต่อไปบ้านนั้นจะมีความชุกความสนุกในบ้านนะั้นบ้านนั้นจะเป็นมงคนชีวิตบ้านนั้นจะไม่เป็นอานารไม่ใช่บ้านยักบางานยาบ้านยักพ่อยาไทยมนุษย์เป็นหนึ่ไปเสบ้านนั้นจะให้มีอาไทยซึ่งแปลกวามนี้ว่ยัก ถึงะหมดบุญญาถึงพาพ่อหนีแม่ไปเสียอยู่คนเดียวเออต m ตายชายทะเลตายจะยืนเสียงธรรมะมันออตาเบลอนอยู่ใกล้ใวัดจะยืนาิออาทวีเาพธรรมะบอกให้ลกาูจะดหัวนั่นคือยัยืนเสียงธรรมะเออตาคนที่ญญาได้ยินธรรมะสมหมด คนที si ina, ่เหลือที as, que que que usa, ่สดไม่ย e ินทํามะคต่หน้าธมรมคนก็ตีอนางยักษ์ติดาตนางถือเชือยักษ์ชายก็ชายหาดคือจังหวัดระยองนั่นขอสา่าไปคึกคักพระอภัยมณีอยู่ไม่ได้ต้องหนีจากภรรยาที่รักจำใจจำจากรรักยังไงก็จงจากเธอเธอเป็นยักษ์จะเละคือจะคืนชื่อไปคืนศัจรูมามากมายนาย่วยสดหาที่คืนไม่ได้ก็จะคืนพระอภัยมณี ถ้าใครมันเอือก็หนึ่ยักษ์ถึงระบุบุรยักษ์ก็ขาพ่อวายไหวาลื้อไเจอไม่เงียบแต่เหผลาจากนายักษ์คือพายักถ้าใครมีเชิดีภรรยาเหมืนแม่หม่บ้านดีดีก็เป็นพ่าดีดีเป็นขวัญใจพ่อขวัญแมกหลัญพ่อก็มอกไหวแม่พ่อ ท่านจะได้ลูกโตลูกวานประจําสุขประจําใจประจําบ้านประจําเมืองไม่ละท้ายเพื่อความิท่านบ้านนั้นจะแผลึกเป็นเท้เป็นเจ็ถือด่เป็นหลายกังและคิดในวันธรรมะวันี้ด้วยอย่ามาแหวนบุญเฉลยไอคํามะไอให้เป็นบุญบ้านท่านใจอุ่นใจมีอชื้้นธรรมะถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นกูช้ถึงจะเป็นผลานะเศรษฐีานเอ แตามผู้ปฏ no ิบัติกมานที Pie ่มาขยายานี่ยมาขยามหาธรรมะน่าจะบุที่โศมาน่ากรรมฐานลอยหน้าลอยตาแล้วเอ็บุญแบบไปไม่ใช่แวะแต่บานะไม่มีสติคิดทำมากแล้วสติคิดลเลิกดนินมาลุกเรกแยกล้วตอตรงนี้แลวอบการตรงนี้ว่าธรรมะเป็นการประจันบ้านของท่านบ้านบ้านจะท่านจะเป็นบ้านเ็ดมาลายบ้านใหญ่โตมันวัด แต่เดิมเหตุผลให้ลูกทำอยู่ยืนต้นชกในงานราชการถ้าทำตอการไม่ต่ารให้ลูกทำมีต้นชกก็ไม่เป็นไรนะจ้าการให้ลูกทำไปถงเขาลายแห้งก็อาไม่ว่าจะลาก็เอามาดะเละการให้ลูกไปยืนอาการะละการให้ลูกไปยืนทำยาายท้คทำประนามของแม่ลูกจะเสหายอย่างหน้าเสยดายต้อมาเป็นหัวหน้าเนเด็ด c ต่โยมอยากไปช่ o ยหวานบุญอยากให้ช่มาทำมาเโยมั่ยไมองเสียเเสียทมาใจหาพหาที่ไหนมืพ่อมแม่ใจใสพ่อแม่ยอยาา้พ่อแม่ก็ยาา้หาหาพระหนอนละคะวันนี้ะิจารณาสอนพ่อแม่เป็นพ่หลานของลูกะิจารสอนพ่อแม่เป็นิรของลูก การพจารณสอนหลักพ่อแม่เป er ็นส so, ัพเพมังลูกชายหรือไม่เรจะไปหาหน้าที่ไหนก็ดูกับท่อแม่แล้วบาคือพ่อแม่ก็นังเจ็บอยู่เนี่ยจะตายแล้วเนี่ยหลาเือต้หาแลรั้ดตรักนู้ตหาและอาหารพพ์พอพิแม่อยู่ให้องห้องหองเอ็นพยบายังไปพูดมาไปเรียกไปเข้าใจก็ค่ะขอากดวกความขึ้นใจและจรใจจาแล้วยใจดไม่ใจดีมีุ่มปั่ญ คนใจยัมมันก็ไปลวกหนึ่งคนใจดีหนูปัญญาใจยามเอาม่หยุันที่วัโหท่าลุดูายท่าจจีเจ้าันใจหัวเหนือก็ขาดนะคนที่ใจดีหนปัญญาจะมีจมื่นตาหกูเมื่นตาหลาชนความักหนูรอเรือรักสากันไปตายอย่ารอลุงไปขึ้นความทะเลโยมจ๋ยออย่าขึ้นลูกขึ้นหัวทึ้เหียเลยอย่าทิ้นกัน ไหนได้ก็ต้งคือเราลือให้ได้พาไปที่เมืองใดๆอย่าลักลออลื้ไปีก้างแลยามทางเลยโลดละโอเลือะรักษากช่วยเหลือกันหนัิดเบนอให้ใครกันนี่ิาณมาเป็นอย่างนี้ไม่จะมานั่งสวันคืก่อนไยามไม่ขึ้นนะยามของใครเห็นไหมเใช้สว่งหน่เสียใจออนไปดต้องสอนืถามคืมี คนนี้จะติหนดึได้คือธรรมะคนนั้นจะลดละภาวาจะละเที่ยะดูละสายจิตใจปได้จิตใจก็ไริสึทบุญก็มาแต่ไปหนบุญในการขวหาธรรมะปฏิบัติได้บุญจะมาเองคือความตกก็ัวโยมจะยอม้โลกยมเต็มเรื่องภาวนายอมมีความศึกถ้าโลกยอมดต่ละไม่ยอมเฉยยอมมความความทุกข์อ้ตร้มาบวชหาไม่รู้อยากจะมาพูดในศ แต่ยอมตัองใจลูกเาเป็นยาง้นก็ไม่เป็นไรกรรมมาก็เสียใจแทนโยนเป็นแม่เป็นพ่อครับเป็นนาธิการ์ผ้าซื้อเกิดแม่ซี้เกิดเป็าจารย์ใหญ่ลูกเิดยาเปิดติดสาคนหมดได้แลวถือข้าชนนีมีความหมายอยู่ไม่น้อยและคุณาธิบายมากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญาคือสวัสธรรมะ ธรรมะปฏิบัติได้แลโยอมจะมีความสดมีความเจริญจะให้อัยภรรยาได้ภรรยาก็ให้อภัยสามีได้ก็ให้เกียรติจนการละกันจะไม่เหยียบย่ำกันจะไม่ดูถูกดูหมิ่นจะไม่ขานจนการละกันนี่คือเตือธรรมโยอมก็มีบุญหลักนาสามีภรรยาชูกันดูมีภรรยามันจะสบุญนาความสดมาให้คือเตืธรรมะ แา่ยอมจะเป็นแม่เศรษเงิจะไหลงองทองไหลมาในหน้าที่การงานยอมมือธรรมะถึงธรรมดื้อสุขภาพกายก็ดื้อสุขภาพจิดก็ดืไม่เป็นโรคประจานยอมมือธรรมะถือดีแล้วพวกคุมจิตได้แล้วยอมมือสุขภาพดีทุบตาการงานก็จะเลือนเดินด้วยเนี้ยงานเดินเงินกระ่า งานชั้นโคมก็ดีเป็นข้าสุดท้าไม่เงินมีทองที่มอง ม, มากมายใจคอก็งานชั้งโคมมีหน้ามีตาใช่ไหมถ้าไม่มีเงินงานชันโคมไม่ดีไปไหนก็ไม่มีอมองหนะา้ า, อ ม, า, านอม่มีใครที่มองหน้ารายรุนรื่ไหมที่คูตัวร์ทมะฟังว่าวาาไปชุดเอาเท้ไปตามไปบมากจะมีดและหยดเหลือเกินไม่ใช่างานกรรมฐานให้ญานชุดางานกรรมฐานแล้ไอสวัสดิน์นาน มาลรวยังกะกระจกที่กินมาจะอาที่ไทาไม่เะลีกต่มาขอบเกบอกที่ควนของเธอท่าทางจะใหองานเธอให้งานเธอจะท่องเธอจะเป็นอย่างไรจะสูงสุดดีกว่าส่วกมีฝาลูกหลานลูกชายอย่างนี้มมกมายลูกเด๋ยวเชื่อพ่อไว้ถ้าเป็นลูกหล่าพ่ออย่าด๋ช่างธรรมะติดาดูถ้าไป็นลูกชายอย่างพ่ออย่าเล้ยวรถเชื่อตับปรการใด ลกชายก็ดูลูกสาวก็ดีลูกหนึ่งลูกวลูกเัลใบ้าแล้วก็จะเป็นลูกดีเตือนบ้าานเรียงให้เจริญมาจนได้ละลายชีวิตไ้ละลาเอ่เจ้าถ้าตื่นจได้มาสเดกพอแม่น้อยกสร้างบานเรียงใหุ้่งที่สุดลูกน้อยก็้าข้าพยินใหญ่มาลูกนะตึ้นใจมากึ้นใหมากหวาเดก ลายเซลูอาเสว่เถียอให้ลายท่อแม่ลูกชาาจะพดูนเห็นพระราษฎรมาดายโมาปราที่ชายสามหนดที่กลางสนาม้าเาธรรมมาเห็นเาลาชิเบศขางโอรสาที่ลายพระเทพรัตนราชบดีกาอจุดรุลาพอเวียเข้าไปปราที่ชายเป็นภาพที่ชุ่่ำกลางสนามหญากลางถนนสามารจะกาพระราษฎาที่ชายได้สามหนดลาวลูคลาย วายหัวพ่อแม่พอเม่อกาไปอ้ไหนยกมือก็ลับมือกับลูกเลวขึ้นขนาดนี้ดูือวะลูกพ่อแม่อย่างไรเจ้าพ้าจะพยินก็กลาพ่อแม่เขสามโหนไขวิ่งม่หลงจากเครงินเมื่อจะบิดามันได้เลยมะวื่งโร่เข้าไปกลาที่ชายกันคือเน้าที่สนใจเข้าต่หมาแม่ลูกเจ้าพ้าจะพยินก็กลาพ่อแม่สามโหน คือไอ้นีนคาถาต้งใจของพระองค์พระราชาไม่สอนเลยกไปโรงเรียนกาบพ่อแม่สามโหนขอถึงนระทำนะลูกนะไปโรงเรียนก็ได้คือบาอาจารย์นะลูกนะอย่ามองอาจะคือเท้าเด็กคงจะเลื่อนคาถาเจาะกลา้นะนะจับามนะลูกนะนี่สอนอย่างนี้นะคือธรรมะไม่ใช่บุญที่ไปหากันมาถารว่าไปตามวัดไดเสียใจด้วยอนามาได้จะเป็นมานคาถาพนมือ คนใช้ของเขาไม่ดีอยู่ก็มารักษาทั้งเขาคนจะพาตอหาจะรักษาไม่มีไปก้ามาถวายยี i หมาชื่อวาดแล้วหือว่าที่หมาจะชื่อยศใหญ่เขามาลุกเขามาถวายก็ลงทุนลงแรงมาไม่รักษาให้ขาดแถมให้ให้ใครของเขาไม่ดีดีอยู่จนหมดจนหมดทั้เขาตกหมดเหนือเขาไม่ถวายยี่เข p ดีให้ตายคนใช้มาดีคนอยู่รักษาของมคนมีอยู่มารักษางเขา จะาพอหาาาไม่มีไปสร้างไว้หาชื่ยนไปงบุญต่อไปขออโมทนาสาธุการเสบุญหมาที่ส่วนงนี้จะไปใายความหลังทั้งจากคุณธรรมเทียนร่าหมาโชยุก้าพยศนเลานานยุุะมาจได้ทช่หมจะไปใ้ความหลังที่เราเก็อยู่มาได้ต้อมีกัญญูเพง่ทามาจะไป็ปธามคือแลาไม่ขาดได้ยังไงรลกอดทาความจงไหนบาง s ราจะแก้ป <ste> <pee> ัญหาอย่างไรนี่คือทำนะ้ัาได้บุญยงไว่านจะแก้ปัญาชีวิตได้ต่อม่ันโยมจะมีความานจ้ามมกยนโยมเสจจะลยยอมไม่กนาไม่็ราต้องคุดิสรให้จไมชดแต่าลูกเยอะเกิเรื่องไนาเขาเห็นใจกมาให้สายมาถวายไม่ยันซื้อส่งไปด่าน้าอเลี้ยงเด็ก คือหายากจะไม่มีใคาจะพิงมาโรงเรียนองค์นี้ช่วยสัมพัน์ทาน้ำช่วยน้ำประชาชนตื่นน้ำมาจะไม่มีจะพิงนะช่วยโรงเรียนให้มีน้ำไทยน้ำใสเราจะได้ชื่นอกชื่นใจไปไปในสัมพันธ์จะได้มีกามเชื่ช่วยกันด้วยธรรนะช่วยกันด้วยเหตุผลช่วยกันได้สร้างปุถุเรื่องกัรเมือาการมีอารีเอื้อถอ้ขาดเหลือใิรุณกันเชิดจะเชิที่ชิ ญาติโยมที่รักทั้งหลายเอยญาติพี่น้องทุกคนโปรดยอมับถ้เนียเขามาหาการศึกษาองดอกเป็นญาติพี่น้องในการที่น่าแปลกอย่าหายหลังให้กันเลยโงสร้างกระดูให้เป็นมดอย่าจ้างมดให้เป็นกรูเลยเพราะญาติโยมคือตัวเยอเม็ตาเป็นตัวธรรมะไม่โกรธใครแลคือเม็ดตาจะไม่เกลียดใคแคือเมตตา จะไม่ปูพยาาลแท่านดคือไม่ตามีตัวเดียวคืธรรมะจะไม่สนใจโกรธใครและปุูกพยาบาศใครต่อไปเป็นอาโหสิกรรมชูตัวเมตตาตัวอาโหสิกรรมได้พร้อมที่จะมีเมตตาขาดจะบ้าเพล่โยนใจโหสิกรรมให้ใครไม่ยากจะข้ามไปโินตามต่อไปขอความสักดิ์คือธรรมะขอความเจริญเรื่องเรียนรับทาาสนาพอด้วยการแก้ปัญหาในธรรมะขอท่านจนเจริญ ทั้งลูกหลนะานไม่ชอาคือจะจงเกินไปด้วยอายุวันลนะสุ ข, ขนะคณะบ า, า, าริีานสนาดหลานเฉลมบัดเม่เชื้อเกิดในประการใดสมความเมตมาจากนณะด้วยการช่วยลูกสิษนามหนะ้าโอกาสบัดนี้เทม